ครั้งที่แล้วก็กล่าวอธิบายตามข้อความในพาหิยะสูตรกับมารุกยะสูตรซึ่งข้อความนี้ใกล้เคียงกันมากนะซึ่งขอทบทวนพระพุทธพจน์ในพาหิยะสูตรเฉพาะข้อความที่พระองค์ได้ทรงตรัสสอนพระพาหยาิยะที่พระพุ้มีพระภาคตรัสว่า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 เห็นจักสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจักเป็นสักว่ารู้แจ้งในการนั้นท่านย่อมไม่มีก็จะไม่มีท่านอยู่ในนั้นเลยใช่ในการใดท่านไม่มีในการนั้นท่านย่อมไม่มีในโลกนี้ย่อมไม่มีในโลกหน้า ย่อมไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองนี่แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะถ้าหากว่าปฏิบัติได้ตามว่าก็ถอนอุ ป, ปาทานโดยสิ้นเชิงก็เลยไม่มีใครเลยถอดลิ่มสลักออกแล้วเมื่อถอดลิมสลักแล้วสังสารจักอันนี้ก็ไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เมื่อสังสารจักถูกถอดสลักออกแล้วก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ถามว่าอะไรเป็นลิมสลักแห่งสังสารจัก ลิมสลักแห่งชีวิตของเราอาวิชากับอวิชานั่นแหละเป็นตัวลิ่มสลักตันหาเนี่ยเป็นเหมือนกับพวกดุมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าบุคคลไม่ถอนอวิชากับตันหาแล้วอย่าว่าโลกนี้เลยโลกหน้าไม่รู้จะไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะเมื่อไหร่จะสุดนาะว่างั้นที่สุดจักอยู่ที่ไหนเนาะว่างั้น ว่ามันสนุกดีเหมือนกันนะถ้ามีโปรแกรมโอ้โหพุ่งนี้จะทําอันนี้ประเรนนี้จะทําอันนี้นะมีไปเรื่อยเรื่อยเรื่ยื่อยเร่อสนุกไหมบางคนนี่ชอบนะโอ้โหดูโปรแกรมที่ทําไว้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันที่เป็นไปเนี่ยบางคนนี่สดเชื่นเลยนะพูดถึงอันนั้นก็ตื่นเต้นผููอันนี้ก็ตื่นเต้นไปเรื่อยเรือยื่อยยลักษณะนั้นแหละเรียกว่ายินดีในสังสารวัตรก็ว่างั้นยินดีความเป็นไปแห่งขันธาตุอายตนะ แต่บางคนนี่ฟังแล้วไม่รู้สึกสนุกเลยเหมือนกันมีโปรแกรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างแม่มันไม่สนุกสักเรื่องเลยนะมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ก็สังเกตดูนะว่าโทสะหรือเปล่าขนนั้นนะเห็นไผู้ที่เจริญสัพพะโลเกอนภพีรตตาสัญญาก็จะลักษณะนั้นจะไม่ค่อยยินดีในอารมณ์อะไรเห็นไหมไอ้ความคิดนั้นก็ไม่ยินดีด้วยนะมันจะเห็นโทษแม้กระทั่งความคิดอันนั้นว่าไอ้ความคิดอันนั้นก็น่าเบือบ่อมันกัน มันก็มีอะไรน่ายินดีสักอย่างาเห็นศักแต่ว่าเห็นเนี่เมื่อวานกล่าวถึงว่าจากักขูวิญญาณเนี่ยนะเห็นเฉพาะสีคือรูปารมณ์อันเวลาประพฤตปฏิบัติทํำยังไงจะตั้งชาวนาจิตให้เป็นเหมือนกับจกักขูวิญญาณเพราะว่าจากักขูวิญญาณนี้ไม่มีความกําหนัดเพลดิดเพลินในอารมณ์ จาขคเวิญญาณไม่มีความขัดเคืองปัทุสร้ายในอารมณ์จาขคเวิญญาณนี้ไม่มีความลุ่มลงในอารมณ์ทายังไงจักตั้งชวนาจิตให้เป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องทําศึกษาที่จะต้องศึกษ า, กษานั้นคําว่าศึกษานั้นเป็นชื่อของอธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาเพราะฉะนั้นท่านอธิบายว่าจิต เป็นเพียงจักุวิญญาณเป็นประมาณเท่านั้นเรียกว่าทิฏฐมัตตะท่านอธิบายไว้ว่าจากักรวิญญาณย่อมไม่กำหนัดขัดเคืองหลงในรูปที่มาปรากฏชันใดเราจะตั้งชาวนาจิตไว้โดยประมาณแห่งจกักรวิญญาณอย่างนี้ว่าชวนาจิตของเราจะเป็นเพียงจักุวิญญาณเท่านั้นเพราะเว้นจากราคาเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งรูปที่จกักรวิญญาณเห็นชื่อว่าทิฏฐ จิตสมดวงคือสัมปติชนะสันติรณะและโวทัพธนะจิตที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างนั้นนั่นแหละชื่อว่าทิฏฐมะตต์นะเห็นคือจะครูวิญญาณเห็นทิฏฐมะตะก็คือเป็นประมาณแห่งการเห็นก็คือสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวทัพธนะจิตเนี่ยถือตามประมาณแห่งการเห็นเพราะว่าในจิตสามดวงนั้นจะไม่มีโลภะโทสะโมหะเก่าร่วมเลย เพิ่งทราบในความข้อนี้อย่างนี้ว่าจิตสามดวงเหล่านี้ย่อมไม่กำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงฉันใดเมื่อรูปมาปรากฏเราก็จะให้ชวนาจิตเ ก, เกิดโดยประมาณแห่งสัมปติชนจิตเป็นต้นนั้นนั่นแหละเราจะไม่ให้ก้าวล่วงประมาณนั้นเกิดขึ้นด้วยความกำหนัดเป็นต้นฉันนั้นแม้ในสุตตะสับ์มตะก็อนยะนี้เหมือนกันคาว่า ได้ยินเนี่ยนะสักแต่ ains, ว่าได้ยินเนี่ยจะเป็นเพียงสักว่าได้ยินคำว่าได้ยินนี้หมายถึงตัวเสียงว่าเ <course. S 2> สียงเกิดขึ้นนี้ที่ดังโสตวิญญาณก็เกิดขึ้นรับเสียงอะเฉพาะได้ยินเลยนะถ้าได้ยินเสียงอันนั้นเนี่ยนะทุกคนจะได้ยินเหมือนกันหมดเลยโสตวิญญาณจะเกิดเท่ากันหมดเลยแต่ว่าเมื่อได้ยินแล้วไอ้ความคิดที่เกิดหลังจากได้ยินแล้วเนี่ย ตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามการสะสมะผู้ที่สะสมสิกขาสามมาก็จะยังสิกขาสามลงในอารมณ์ที่ได้ยินนั้นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องสิกขาสามเลยก็ก็ตามอัธยาศัยดั้งเดิมที่เคยฝึกฝนมาอย่างไรก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพรา ะ, ะนั้นในการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะทำอย่างไรที่ว่าเมื่อได้ยินเสียง อธิศีลสิกขาจะเกิดขึ้นเสียงเป็นอารมณ์ของอธิศีลสิกขาได้ไหมเสียงบางอย่างนี้พระผู้มีพระภาคบอกว่าไม่ควรฟังโดยส่วนเดียวนะอย่างเช่นพระที่สูตนี้ท่านบอกเลยเช่นเสียงเพลงเป็นต้นเนี่ยนะห้ามไปฟังห้ามใช้ให้คนร้องให้ฟังเป็นต้นนั้นะห้ามทุกอย่างเลยแสดงว่าเสียงนั้นมีโทษก็บอกว่าถามว่ามีโทษอย่างไร องก็จะตรัสว่าถ้าหากว่าบุคคลผู้ยินดีติดใจถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะในเสียงขณะนั้นเนี่ยนะถ้าจุติในสมัยนั้นมีคติสองคือนรกกับเดราชา น, นนะพระพุทธเจ้ามองชีวิตชาติหน้าของเรามองแค่พรุ่งนี้แค่นั้นแหละของเราจะมองสั้นๆมากมองว่าเออสบายดีเพลินดีแต่พระพุทธเจ้ามองว่าไอความคิดอันเนี้ยเป็นอุปนิสัยแห่งวัตตะอย่างไรบ้างานะเพราะว่าในทัศนะของพระพุทธเจ้า หรือว่าในอัธยาศัยของพระพุทธเจ้ามีอัธยาศัยเดียวคืนน้อมไปเพื่อนิพพานอย่างเดียวว่างั้นไม่น้อมไม่น้อมไปเพื่ออย่างอื่นเลยวันนี้รู้สึกประทรับใจนะคิดมาหลายครั้งนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีตันแอบเรียกว่าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าเขาว่างั้นพระพุทธเจ้านี้ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจักไม่ชักช้าในทุกอารมณ์เลยไม่มีอารมณ์ใดทําให้พระพุทธเจ้าช้าได้ ถามว่าอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราชักช้าเนี่ยนะที่จริงอารมณ์ก็อยู่ของเขาอย่างนั้นแหละแต่ใจของเราเนี่ยมาช้าในอารมณ์เองไปติดข้องในอารมณ์เองถามว่าอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เนิ่นช้าคืออะไรขณะที่เพลิดเพลินในอารมณ์ขณะนั้นอารมณ์นั้นเราช้าละถูกช้าหรือถูกเบรกอยู่ก็ไ ม, มไม่นนรมู้นนะแะแะแะแะแะแะไะแะแวแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะแะะแะแะแะะ พันตันหามานะทิฐินั่นแหละเป็นตัวที่ติดข้องอยู่ในอารมณ์ที่เรียกว่าธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าพระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องเนิ่นช้าเนี่ยนะจากคํานี้ก็ไปค่อยคิดดูเอ้เราเห็นอะไรมันช้าไปทุกอารมณ์เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่มีช้าสักอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีอาร ม, ม, มณ์ใดที่พระองค์ไม่รู้แจ้งเพราะความที่พระ อ, องค์ทรงรู้แจ้งอารมณ์ทั้งหมดนี่แหละถามว่าพระ อ, องค์รู้แจ้งอย่างไร รู้แจ้งว่าอารมณ์นั้นเนี่ยเกิดจากเหตุใดเกิดจากปัจจัยใดเกิดจากสมุทฐานใดรู้หมดแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ยังรู้ว่าในอารมณ์นั้นๆเนี่ยก่อให้เกิดจิตใดๆพระองค์ก็รู้อีกนนะก่อให้เกิดจิตชนิดใดบ้างพระองค์ก็รู้นะเพราะในความเป็นอายตนะของเขาอะ่ะเพราะอายตนะคือสีก็ก่อให้เกิดทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลวิบากกิริยา อายตนะคือเสียงก็ก่อให้เกิดกุศลอกุศลวิบากและกิริยากลิ่นก็เกิด็กิดให้เกิดกุศลอกุศลวิบากและกิริยาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์นี้รู้แจ้งในอารมณ์เหล่านั้นทั้งหมดตัวอารมณ์จริงๆพระองค์ก็รู้แจ้งหมดเลยแล้วว่าอารมณ์นั้นก่อให้เกิดจิตใ ด, ด ๆ, พ ร, ๆ, ๆ ELLE. พระองค์ก็รู้แจ้งหมดเนี่ยนะพระองค์จนสา ม, มารถบอกว่าอารมณ์หนึ่งอารมณ์เนี่ยจิตเกิดได้กี่ดวงโดยมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์ จิตดวงไหนมีสิ่งนี้เป็นอารมณ์แน่นอนจิตจิตชนิดใดไม่มีสิ่งนี้เป็นอารมณ์โดยแน่นอนพระองค์สามารถจําแนก แ, กแจกแจงรายละเอียดในอารมณ์นั้นๆได้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะโดยที่ไม่มีติดขัดไม่มีข้องแวะแต่แจกแค่จิตเฉยๆเนี่ยนะก็นับว่าอาัศาจรรย์อยู่แล้วพระองค์ยังแจกด้วยว่าในจิตแต่ละดวงนั้นนะ่ะประกอบด้วยอะไรอีกบ้างประกอบด้วยเจตสิกใดๆบ้างแล้วในเจตสิกเหล่านั้นนั้นนะ่ะทั้งจิตทั้งเจตสิกพระองค์ก็วิจัย จิตเจตสิกเหล่านั้นโดยขันอย่างธรรมะอันนั้นโดยขันอย่างธรรมะเหล่านั้นลงโดยความเป็นธาตุอย่างธรรมะเหล่านั้นโดยความเป็นอายตนะอย่างธรรมะเหล่านั้นโดยปฏิจจสมุปบาทอย่างธรรมะเหล่านั้นโดยอริยสัจเนี่ยนะชำแรกกิเลสออกจากอารมณ์นั้นได้พะงั้นพระองค์วิจัยหมดเปรี้ยงเลยไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ได้ใคร่ครวญเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเสียงเนี่ย ที่ว่าจักเป็นเพียงสักว่าได้ยินเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ผ่านกล้องหูเฉยๆเมื่อก่อนเนี่ยเออดังดังดังเราก็ใส่ใจคิดเออดังมันก็สบายใจดีเหมือนกันเห็นแวเสียงเออดังดังแล้วก็โอ้แนะนำผ้าเนนอยู่หลายปีนี่โอ้เจริญกรรมฐานจะไปยากอะไรท่านมาเลยแนะนำให้เลยเสียงเนี่ยดังๆแค่นั้นแหละมันมีแต่สภาพดังอย่างเดียว แต่ที่นี้ไอ้คนแนะนํำนี่แนะนําไปนานๆเข้าเอ้เราก็เจริญอยู่อย่างนี้ตั้งนอนเอ้แล้วมันจะรู้ยังไงต่อไปอีกไงคนแนะนําก็ชักงงแล้วเหมือนกันมันจะไปต่ อ, อยังไงเอะเราก็กําหนดไอ้ดังๆนี่ก็กลมามานานละมันนมนานเต็มทีแล้วไม่ได้ฉลาดอะไรขึ้นเลยอยากรู้เรื่องปัจจัยเที่ยวถามใครเนาะเอ้ปัจจัยนี่มันจะไปต่ อ, อยังไงอันเนะ่ เพราะว่าที่เราเรียนมาก็แทบจะลืมหมดว่าเสียงมีสมุทรฐานสองอะไรก็ไม่เคยเอามาตรึกสักอย่างเอาไว้เวลาเรียนต่างหากเวลากำหนดก็คนละเรื่องกันนะสงข้ออะไรลงไม่ได้สักอย่างก็เลยโอ้โหเป็นอย่างนั้นไปถามคนโน้นเขาก็ไม่เคยตอบถามค น, นนี้เขาก็ไม่เคยตอบไอ้เราก็ไม่ไม่ฉลาดถามเลยมั้งเขาก็เลยไม่ตอบเราเลยก็ทาให้สงสยัยทีนี้ก็มาพยายามสังเกตที่พุทธพจน์อ่ะ ว่าพระ อ, องค์สอนกรรมฐานเหล่านั้ น, น, นอย่างไรทีนี้ไอ้ข้อไอ้ชักกะสูรนี่รู้สึกชอบมากว่างั้นโฟังภิกษุกลุ่มแรกฟังบรรลุหกสิบองค์ไหนแสดงก็บรรลุทีละห0สสูตรนี้น่าจะดีแน่นอนนะก็เลยฝึกจำเอาไว้ว่าเออพึงทราบอายตนะภายในหกพึงทราบอายตนะภายนอกหกพึงทราบปิญญาณหมวดหกพึงทราบะนะภาษะหกเวทนาห แล้วก็ตันหาหกเนี่ยนะเออดีเออเ อ, อ, อาศัยจากขูกกับรูปเกิดจากผูวิญญาณเป็นต้นเนี่ยนะเออทำให้ท่องเลยเนะเอาใหม่พาม า, มาใหม่สอนอิีกท่านสาธยายสูตรนี้ไปอยู่ในป่าเลยเอาสูตรนี้ไปเลยมาช่วยกันสาธยายดูเราเอามั่งนะอาศัยตากับสีเกิดจากขูวิญญาณความประชุมของธรรมสามประการเป็นภาษา เ, เอาทวานหูวังทีนี้ก็มาเรียนตัจจยดู ปัจจัยแต่ละตัวตานี่เกิดจากปัจจัยอะไรบ้างสีเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างจักรคูวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างหูเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างโสตเสียงเนี่ยนะที่ดังๆเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างโสตวิญญาณเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างก็เอามาไขควนนะนะเรียนแล้วเออมันก็สบายใจดีตอนหลังก็ทําให้เห็นอานิสงส์ของการศึกษามากขึ้นถ้าหากว่าไม่เรียนรู้จริงๆเนี่ยนะเอาไปคิดเอาเองทข้างนั้นเลยอะไรเป็นอะไร แล้วนานๆเข้าเนี่ยนะการปฏิบัติแบบที่เราทิ้งคำสอนเนี่ยนะใหม่ๆเหมือนดีนะโอ้โหมันจะมีอะไรปราบเริ่มปีติโสมมนัดสบายใจน่าดูเลยแรกๆแต่พอนานๆเข้าเดี๋ยววิจิกิจชามันเกิดเข้ามาอีกและนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าอะไรที่มันสงสัยนะแสดงว่าอันนั้นพลาดแล้วล่ะแสดงว่า สิ่งนั้น น, นเนี่ยปฏิบัติแล้วสงสัยเนี่ยไม่มีผลมากไม่มีอ น, นิสงฆ์มากขนาดเข้าใจหมดทำยังไม่ค่อยมีอ น, นิสงฆ์เลยนะทำด้วยความสงสัยเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้ควรศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจให้ละเอียดเพียงพอแล้วพระโบราณเนี่ยนะพระสมัยก่อนท่านใช้คําว่าใส่ใจในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะท่านท่านเน้นกันมากเลยนะว่าใส่ใจในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอั น, นท่านจะ มีความเคารพยกย่องในพระพุทธพจน์มากท่านจะเอาพระพุทธพจน์เนี่ยเป็นหลักในการปรารภภาวนาในแต่ละธรรมแต่ละหมวดแต่ละหมวดท่านจะพิจารณาธรรมะใดใดทราบอย่างหนึ่งก็ตามจะต้องมีธรรมะนำหน้าเสมอในเรื่องนั้นพระองค์ทรงตรัสไว้อย่างไรเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีเลยพระพิสุทธ์ที่เดาเออข้าพระองค์คาดว่าจะเป็นอย่างนี้พระเจ้าค่ะไม่มีก็บอกว่าข้าพระองค์นั้นมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำเมากัน มีพระพุทธเจ้าเป็นมูลเห็นไหมธรรมะของข้าพระองค์ทั้งหมดเนื่องด้วยพระพุทธเจ้าว่างั้นเพราะงั้นพระองค์ตรัสว่าอย่างไงข้าพระองค์ทั้งหลายจัดทรงจําธรรมะอนนั้นเอาไว้นี่คือลักษณะของพระภิกษุสมัยแต่ก่อนทางของเราก็ต้องพยายามที่จะนึกว่าในสิ่งนั้นๆเนี่ยนะในธรรมะเรื่องนั้นๆเนี่ยคำสอนทรงแสดงไว้อย่างไร น, นะที่ไม่กล่าวชี้ชัดลงไปเพราะอะไรเพราะว่าพระธรรมคาสอนพระผู้มีพระภาคตรัสไปเยอะจริงๆ แล้วเท่าที่สังเกตดูนะมาเรียนด้วยกันเนี่ยไม่มีใครชอบสูตรเหมือนกันสักคนนะที่จําได้ไม่มีใครชอบสูตรเหมือนกันของอนามาตอนแรกก็ชอบเออเมตตาสูตรนี่ดีเหลือเกิน อ, อ่าเมตตาสูตรสาธยายทองมาใหม่ๆเม่อภินหาปจเวกคณนะธรรมสูตรมันก็ดีขนหนัก้มงคลสูตรก็ดีให้รัตนะสูตรก็ดีเออจะดีไปหลายๆสูตรแล้วคนนี้ชาฉักกะสูตรที่ต้นๆว่าดีเหลือเกินก็บางทีก็เอามานึกบ้างบางทีก็ไม่ค่อยเอามานึก ไปเอาโลกันินโรธสูตรมาใหม่ดีกว่าสูตรนี้สั้นกว่าฉัฉกัสูตรเอาโลกันินโรธสูตรดีกว่ามันก็จะแต่ละช่วงแต่ละพักไม่เหมือนกันดังั้นการศึกษาธรรมะแต่ละสูตรแต่ละหมวดนั้นก็เหมือนกับทานอาหารนะนะไม่มีใครทานอาหารชนิดเดียวได้ยาวเว้นแต่เข้ากลับเนี่ยนะเปลี่ยนไปเรื่อยชั้นใดคำสอนเหล่านี้ก็เหมือนลักษณะนั้นนั่นแหละก็เกิดการเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้ใจก็ไม่ปีติใจก็ไม่ร่าเริง